พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าภาวนาเป็นแก่นของศาสนาวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองตรงกับวันที่สิบ พธิจิกายนพุทธศักราช2554ต่อ น, นี้ไปจะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภธนิยกาถาเป็นการกล่าวแนะนำเรื่องพวกเรื่องเราที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้า มีมากมายแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ได้ขึ้นรวชที่ได้พูดจะยิบยกประเด็นไหนมาชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าการเทศและการแสดงธรรมหรือการกล่าวสมโภชนิยกราถ้าองค์ไหนขึ้นไปพูด ต้อจำานวนจานวนพวกเราท่านทั้งหลายก็จะต้องได้ฟังนั่งฟังถึงจะมีอายุพรรษามากถ้าให้องค์ไหนขึ้นไปแสดงหรือไปพูดองค์เหล่านั้นก็ตั้งนั่งฟังฟังด้วยความสงบ ฟ, ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจว่าองค์ที่แสดงนั้นจะแสดงพูดในเรื่องอะไรในเรื่องของศีลหรือเรื่องสมาธิหรือเรื่องปัญญาหรือเรื่องทานก็เมื่อองค์นั้นแสดงหรือว่กพูด พวกเราก็ฟังเพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวท่านจะชี้แจงเรื่องอะไรให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาว่าเรื่องทานก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละ ถาคนอยู่ด้วยกันมากหรืออยู่ตั้งแต่สององค์ขึ้นไปไม่มีการเสียสละไม่มีน้ำใจต่อกันคนสองคนนั้นมีโอกาสที่จะแตกแยกแตกคราวสามัคคีกันผลที่สุดก็ไปคนละทิศทางเพราะเหตุใรเพราะสองคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันไม่มีฐานะคือการเสียสละต่อกัน เนี่ยละเรื่องทานไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดได้หลายคนเพียงสองคนเท่านั้นก็เข้ากันไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําใจถ้าไม่มีเมตตาต้องไม่ถ้าไม่มีน้ํ า, า, ถ, าถ้าไม่มีการเสียสละให้กันถ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละต้องมีน้ําใจต้องมีการอเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ชิงกันและกัน คนหนึ่งได้อันหนึ่งคนหนึ่งได้อันหนึ่งมีการเสียสละต่อกันคนหนึ่งมีเงินคทรั์สมบัติมีปัจจัยสี่ก็พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่หมู่พกเพื่อนแบ่งปันให้แก่หมู่พกเพื่อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่มีความรู้มีสติปัญญาได้รับการศึกษาในวิชาต่างๆ ที่จะถ่ายทอดวิชาของตัวเองให้แกผู้ที่ยังไม่รู้ที่ด้อยกว่าวิธีเพราะวิชาอาชีพในโลกนี้มีมากจนนับขนาหาประมาณไม่ได้นับไม่ท้วนแต่และ ว, วิชาเมื่อเมื่อเรารู้วิชาไหนเราก็ถ่ายทอดวิชานั้นนั้ น, น, นให้แกผู้ที่เขาไม่รู้บางทีก็สอนให้รู้ รู้เอาไว้เพื่อประดับเปืระดับสติปัญญาแต่บางเรื่องก็สอนให้รู้เพื่อจะนำมาประกอบวิชาอาชีพเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้ท่านว่าจัดเป็นวิทยาทานในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้อันนี้ก็คือทานอีกเหมือนกันและธรรมทานก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด คือเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็กันกรองไตรตรองโดยเหตุและผลจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองอันนี้เรียกว่าธรรมทานผู้ที่ให้ก็คือธรรมธานจากนั้นกับผู้รับก็คือรับทานของผู้ที่ให อันนี้ก็คืออันหนึ่งและอภัยทานก็คือเขามาล่วงเกินเราเราไม่สบายใจทเราก็เอายกโทษให้ไม่ถือโทษโกรธโกรธเคืองให้แก่ใครเพราะถือโทษโกรธเคืองกับเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่การผูกพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราให้อภัยเขา เรื่องมันจบจบไปถ้าว่าเขาเป็นภาลชนเราก็ดูแล้วออเป็นนี่คือภาลชนถึงจะให้อภัยแล้วก็ยังก่อกรรมทำเข็นไปเรื่อยๆก่อเวรไปเรื่อยๆอ่าดังนั้นเราก็ต้องหนีให้ห่างห่างจากหนีให้ห่างจากภาลชนคนผ่านถ้าเราอยู่ใกล้จะมีแต่ความเดือดร้อนมาหาตัวของเราเพราะนั้นเราต้องหนีให้ห่าง หนีช้างหนีเสือหนีสัตว์ก็ให้ขึ้นไปให้พ้นขีดอันตรายถ้าหนีหมาเราก็ขึ้นไปหน่อยหนึ่งหมาก็ขึ้นไม่ได้ถ้าหนีช้างเราก็ต้องขึ้นไปให้พ้นหัวช้างไม้ต้องต้นใหญ่ไม่ให้ช้างทำร้ายทำรายเราได้ถ้าหนีเสือเราก็หนีขึ้นไปอีกร ะ, ระดับหนึ่ง ถ้าว่าหนีคนพาลห น, นีพาลชนให้นีจุดขอบฟ้าเขาเขียวหนีให้ไกลที่สุดหนีคนพาล น, นี่ลหละอันนี้คนโบราณเขาพูดอย่างนั้นพอหนีคนพาลพาลชนมันจะพยายามก่อกรรมทำเข็นพยายามก่อเวร เ, เห็นคนอื่น ดีกว่าตัวเองไม่ได้อิดช้าพยาบาททั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เก็บกับเราแต่เราก็เนี่ยนะขัดเคืองอยู่อย่างงั้นอันนี้แหะคือภาลชนถ้าพวกเราเจออย่างนั้นเข้าไปแล้วพยายามหนีให้ห่างอย่าเข้าไปใกล้นี่แหละอันนี้ก็คือชวนหนึ่งแต่พวกเราก็ควรให้อภัยท า, านควรทําใจเอาไว้ พอเราเกิดมาในโลกนี้จะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นธร ร, รมดาเพราะนั้นพวกเราต้องอทำใจ ay, ที่เรียนรูเรเน้เรื่องของมนุษย์มันมีมากลากหลายเรื่องของมนุษย์ผู้ที่อิดช้าก็มีพยาบาทก็มีอิดอโกรธเคืองให้ก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องทำเรื่องให้เป็นเรื่องก็มี เพราะนั้นเราต้องรู้จักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางการอยู่ด้วยกันหรือว่าผู้ที่เป็ น, ปนบัณฑิตนักปราชญ์เราก็ควรทาอย่างไรผู้ที่มีความรู้เราควรจะเข้าไปหาอย่างไรถ้าว่าเขาเป็นพาลชนเราก็รรู้ชั้นเชิงของเขาเราจะหนีให้ห่างอย่างไร ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะใช่แต่แ ล, และภารชนแต่แ ล, และภารชนบางคนก็หนีไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอจบอยู่คนละมุมกันหรือไม่ใส่ใจกันแล้วก็จบแต่ภาละชนบางคนน่ไม่ได้ตรงนี้ให้ห่างที่สุดอย่างนี้มันก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเ ร, เราให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบ ให้หนีจากคนที่เป็นภาลชนแต่ในใจของเรานั้นเราจะไม่ปลูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในส่วนลึกส่วนลึกของใจเราเพราะเราจึงเราจึงไม่อาฆาตเพราะว่าเราได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร เวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรกับใครดาเรามีการจองเวรถูกเวรจะไม่ระ ง, งับเพราะฉะนั้นเราจะไปจองเวรเพื่ออะไรถ้าเราจองเวรคล้ายๆว่าไม่มีที่สิ้นสุดอิรันพันตูกันไปเรื่อยเราจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าเราจะไปที่สูงก็ก็ลากขาเอาไว้มาสู้กับเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปที่ไหน เราก็ลากเขาขาขาเขาลงมาพอี้สุดก็เลยไปไหนไม่ได้เพราะการจองเวรซึ่งกัและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทว่าเวรจะระงับไม่ได้เอถ้าว่ามีการจองเวรกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปจองให้โง่ทําไมต้องพยายามให้หนีถ้าเราหนีถึงเขาจะจองก็เถอะเขาตบมือข้างเดียว เมื่อตบไปแล้วเราไม่ตบมือตอกเราไปแต่หนีอย่างเดียวถึงเขาจะจองเวรขนาดไหนเวรนั่นก็ไม่ไม่เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะว่ากขาตบมือมาเราหลบก็ตบมาข้างเดียวอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตอย่างนั้นถ้าว่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตจองเวร ผูกอาฆาตจองเวรเพราะถ้าว่าพระพุทธเจ้าพยายามจองเวรกับพระเทวทัตป่านนี้พระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอะไรเพราะจะต้องต่อสู้กับพระเทวทัตอีรันพันตูกันอยู่ตลอดเกิดชาตินี้พระพุทธเจ้าชนะเทวทัตเกิดชาตนาเทวทัตชนะพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้น ต่อไปก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเมื่อตัวเองเป็นราชามหาราชาเป็นพระเจ้าเป็นดินก็ยกขบวนทัพไปตีกันอีกพวกลูกน้องบริบาลก็ไม่รู้อิโหน่อิเอง่แต่ว่าหัวหน้าทะเลาะกันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ผูกพาบาดไม่ผูกอาคาตมีแต่พระเท ว, วทัตองเดียวผูกพาบาดอาคาตต่อพระพุทธยาวพระพระทุทธ้ามีแต่นี ธธรรมีแต่ทำความดีไปที่ไหนรรมีแต่ความความดีให้อภัยถึงเขาเ้าจะทำไงก็ให้อภัยนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงได้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเะตุเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อภัยอภัยยทานอามิษฐานวิทยาทานนี่แหละพระพุทธองค์มีแต่ให้ เพราะนั้นพวกเราเป็นลกูกศิษย์พระพุทธเจ้าพวกเราควรจะเดินตามแนวแถวพุทธะพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้จอง ร, รมจองเวรกับใครๆทั้งหมดในไตรโล ก, กธาตุเราเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ถอยเป็นผู้ให้อภัยจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีไม่ต้องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครๆก็ทั้งหมด ถ้ากองล่างจองผันผูกพยาบาทอาฆาตกันกระเทานัดมีแต่ตกต่ําไม่มีใครที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้มาศึกษามาอยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทําใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะหลวงพ่อได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเรา แล้วก็ให้พวกเราศึกษาให้ฟังจากนั้นก็กันกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังว่าการที่เราอยู่ด้วยกันกับเพื่อนมนุษย์โลกเราจะผูกพยาบาทหรือว่าเราอิจฉาเราไม่ให้อภัยเราไม่ยอมเสียสละอย่างนี้นั่นแหละ เราก็เราอยู่กับคนพ า, นาลพาลชนอย่างนี้เราอยู่กับบัณฑิตเราควรทำตนอย่างไรเราเป็นอยู่กับพารชนเราควรทำตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้ปัญญารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปอยู่นักสถานที่ใดเอาตัวรอดได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดทั้งหมดเพราะเหตุไรเรารู้แล้วว่าการทำอย่างนั้นมันไม่เป็นผลดีมีแต่ตกต่ำนี่แหละอันนี้ก็คือฐานะคือการเสียสละที่หลวงพ่อได้กล่าวคือศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกัน ก็ต้องมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเรื่องความความขัดเคืองในจิตในใจแต่ว่าเมื่อเราได้รับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตรวจตราดูเราไปโกรธเขา เ, ออเพื่ออะไรมันได้อะไร เ, ออเราไปผิดศีลไปฆ่าเขาทาไมไปขโมยเขาเพื่ออะไร คือสั่รวมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลคนมีศีลแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเพื่อนมนุษย์ไปด้วย ก, กันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเขาคงจะไม่ขโมยของเราแน่ไม่เบียดไม่บังของเราแน่อไม่คิดฆ่าเราแน่เขารบสามีภรรยาลูกหลานของเราแน่ ไม่โกหกต้มตุนหลอกหลอกลวงเราแน่ไม่ดื่มสุราให้เป็นที่รำคาญด้วยว่าขาดเสติแล้วยับยั้งไม่อยู่รังแกเบียดเบียนขึ้นมาได้ถ้าคนเมาสุราเมาของเสพติดคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นยาบง่งย า, าอ่ อันนี้ก็คือคนมีสินคนมีสินไปนักสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษยชาติทั้งหมดพูดอย่างนั้นได้เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ถึงเขาจะไม่มีสินแต่คนที่มีสินเข้าไปเขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ไวเนื้อเชื่อใจถึงชาวเขาจะอิจฉาพยาบาทในใจส่วนลึกแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นคนนี้เป็นผู้มีศิน เขาก็ยังตายใจเขาก็ยังสบายใจกับคนคนนั้นแต่ถ้าว่ารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีศินนะตัวเองก็ไม่มีสินแต่คนนั้นก็ไม่มีสินอีกนั่นแหละเท่นี่โภธิโยก็จะต้องเตรียมสัตราอาวุธป้องกันตัวละ่ะมันไม่รู้มันจะมาไหมนะั่นนี่แต่ถ้าว่าคนนั้นเป็นผู้มีศิน ถึงเขาจะกโกรธโมโหโกธาอย่างไรเขาก็ไม่ไม่ไม่คิดเขาจะไม่ทำความชั่วเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้สำรวมกายวาจากัน เ, นเขาเป็นผู้มีสินเนี่ยในแต่สินคุ้มครองโลกสินทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขสินมีอยู่ในกลุ่มใดบุคคลใดยุคใดสมัยใด คนมีศินไม่มีวินัยยุคนั้นสมัยนั้นคนกลุ่มนั้นบุคคลนั้นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขในยุคสมัยนั้นนี่แหละสินคุ้มครองโลกถ้าคนไม่มีศินแล้วไม่ไวเป็นไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระแวงแคลงใจกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นศินพระพุทธเจา้าที่ท่านวางเอาไว้ มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกอย่างมากเรื่องทานไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมีการเสียสละต่อกันเรื่องศีลก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความชั่วเสียหายแต่ในเรื่องภาวนาเถอเรื่องสมาธิจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งแต่พวกเราท่านทั้งหลายโดยมากจะไม่ค่อยง่ายความสำคัญเพราะไม่รู้ว่าเรื่องสมาธิเนี่ย มีประโยชน์อย่างไรเพราะน้อยคนที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมีแต่สอนวิชาอาชีพอย่างอื่นแต่สอนวิชาทางสมาธิทางด้านจิตใจเนี่ยไม่ค่อยมีจะมีใครสอนถ้าใครจะมวพูดขึ้นมาในจณะลักษณะลอยๆหรือสอนไอ้พอพูดขึ้นมาไอ้คนที่กิเลสกับธรรมเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ไม่เป็นมันมันไปด้วยกันไม่ได้ พูดอะไละ แ, แบบง่ายๆอดําเหมือนกับดํากับขาวอย่างนั้นน้ํากับน้ํามันอย่างนั้นะมันไปด้วยกันไม่ได้พอพูดธรรมะขึ้นมามันขว้า ง, งหูทันทีอทําไมเอแต่ที่ธรรมะเนี่ยเป็นทําให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขแต่เรื่องสมาธิทําให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขแต่พูดสมาธิขึ้นมาแล้วมันขวางเอ เว้นเสียแต่คนคนนั้นกลุ่มนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องจิตภาวนาเออพ่พอพูดเรื่องภาวนาเนี่ยพวกเราฟังกินดีฟังเพราะอะไรเพราะเราอยากจะฟังเรื่อง เ, เรื่องสมาธินี่แต่ว่าคนพูดธรรมดาเราไปในสถานที่ที่วา่าคนไม่สนใจเรื่องจิตภาวนาเราไปพูดขึ้นมาไม่ไดนะ้ขวางเขา ยิ่งกว่าม้าข้าปังเข้าล้ำนะมันขวางเขาอแต่ถ้าว่าคนมีธรทำแล้ว่าคนได้ศึกษาแล้วอยากจะรู้เรื่องภาวนาเนี่ยเอพออธิบายให้ฟังท่า น, นหูผึ่งทันทีเลยออยากจะฟังเรื่องสมาธิที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา แต่เรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยเป็นเปลือกเป็นกระพี้แต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจเป็นแก่นเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตก็คือการเรียนรู้ปริยัตก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยคือปริยัตในเมื่อเราเรียนรู้ในปริยัตแล้วเรานามาปฏิบัตในเมื่อเรานามาปฏิบัติ ผลแห่งการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมผลแห่งการปฏิบัติก็คือเราได้รับผลแห่งความสุขนี่แหละอันนี้คือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทสรุปวก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคื อ, ค, อความตั้งใจมั่น ปัญญาก็พยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าสมาธิเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมาถึงสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้แน่วแน่จิตใจให้เป็นหนึ่งเราจะทำอย่างไรจะททำจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งได้ อันนี้เราก็ต้องศึกษาศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างไรบรมัครูของพวกเราท่านก็นั่งสมาธิเนี่ยทาจิตใจให้สงบนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเหมือนพระประธานที่พวกเรามองเห็นต่อหน้าของพวกเราเนี่ยนี่แหละคือท่านนั่งสมาธิแต่เราเห็นอากัปกิริยาของท่านนั่ง ในร่างกายของท่านท่านนั่งอย่างนี้แต่ส่วนจิตใจของท่านท่านนึกคิดอะไรนถ้าท่านไม่บอกให้ฟังเราก็ไม่รู้ท่านก็บอกว่าในขณะที่ท่านนั่งอย่างนี้แล้วนั่งกัจสมาทิแล้วท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอยู่ที่ปลายจมูกนั้น นี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นเรามาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเองอย่างหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนจิตญาณจิตของท่านท่านก็จะให้นั่งภาวนาอย่างพระพุทธรูปนั่งที่พระพุทธปฏิมากรนั่งแต่ท่านก็ให้นั่งสมาธิและท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโธ เพิ่มพุทธโธเข้าไปอีกแต่ทำไมท่านจะไม่ทำเหมือนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าท่านแตก่ก่อนท่านกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเหมือนกับทาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพาดาเนินแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าใ ห, ให้สำทับให้สำทับกาหนดกรรมาฐานด้วยนะให้กรรมาฐานหายใจเข้าพุท หายใจออกโทให้มีที่ยึดด้วยให้ยึดพุทธโธเป็นหลักด้วยให้ทำอย่างนี้นะเพราะนั้นลงตาท่านของปฏิบัติตามทีแรกท่านก่อนกำหนดธรรมดาจิตใจก่ลดเล็ดลอดออกไปให้ว่ามีช่องว่างถ้าให้จิตใจของท่านลดเล็ดลอดออกหลุดออกไปได้ง่ายแต่ได้ท่านก็มาเอายึดกับมาฐานหายใจเข้าพุท หายใจออกโถกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโถพุทโถจากนั้นเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถให้ข้าบักกับกิริยาทุกอย่างมี พ, พระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเองตลอดรอ้ว่ า, าบริกรรมพุทธโถตลอดพุทธโถติดกับจิตหยุด กับจิตกับใจตัวเองอยู่ตลอดนี่แหล ะ, ะสามวันดวงตาทำาสามวันใจสงบรวมเลยทัยแต่สองวันแรก ส, สู้อย่างอุตรลดสู้อย่างมากๆแต่พอถึงวันที่สามรถถู้สึกว่าเบาบางค่อยๆว่าสงบลงแต่จริงที่มันต่อต้านเริ่มสงบลงจากนั้นก็หายใจเข้า หายใจออกโถมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นจิตของดวงตาก็เลยรวมสงบลงได้พอรวมสงบลงได้ท่านก็นเชื่อมั่นในตนเองว่าเออบัดนี้ไม่เสื่อมเรารู้จักวิธีการเดินสมาธิแล้วรู้จักวิธีการเดินมรรคแล้วแต่ก่อ น, นไม่จะเสื่อมได้ขึ้นมาแล้วก็เสื่อมหายไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่เพราะจิตใจเสื่อมทกมาก แต่บัตรนี้เราบริกรรมอย่างนี้แล้วไม่เสื่อมท่านวอกนั่นแหะท่านรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ฟังเอาไว้นี่แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเวลานั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่งคัดสมาธิเรียบร้อยแล้ว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 หายใจออกบริกรรมว่าโถพดโถพดโถในลมหายใจข้อออกนั้นอันนี้กระทำจิตใจให้ใจของเราให้รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันเป็นสองรูปธรรมและนามธรรมเห็นได้ชัดจุดนี้เมื่อจิตใจรวมสงบ ถ้าวัตจิตใจยังไม่สงบนะเราจะแยกไม่ออกทางวิทยาศาสตร์เขากระหดสมองสมองเป็นตัวค้นคิดสมองเป็นคนคิดแต่ละของพระุระทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจ เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันมาตั้งอยู่บนศีรษะของพวกเราสมองก็เข้ามาก็เล่นคอมพิวเตอร์อยากจะให้พูดเรื่องอะไรอยากจะให้ทำอะไรอยากจะให้ให้คิดอะไรอยากจะให้เดินไปที่ไหนสมองนี่รับรู้ทั้งหมด ใครพูดเรื่องอะไรสมองนี่รับพอรับแล้วก็ใจก็รับรู้จากสมองจากนั้นใจก็ส่งผ่านสมองสมองก็แสดงทางกายทางวาจาอยากจะพูดให้พูดเรื่องอะไรจะแสดงอาการกายทำากับกิริยายอย่างไรหมัดมวยหรือว่ายิ้มแย้มแจบใส่หรือทำอากับกิริยา ย, ยกมือไหว้หรืออะไร เนี่ยใจของเราสั่งนะสั่งร่างกายให้ทำอะไรนี่แหละอันนี้แต่จุดนั้นทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์เขามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าในท่านนั่งสมาธิที่โครนต้นโพนะจิตสงบลงไปแล้วท่านเห็นท่านรู้รายว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัด พระพระ่องยืนยันตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดทั่นคือคือใจดวงน้ำมธรรมนั้นตัวนั้นแหละมาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ส่วนร่างกายแต่ตายสู่ดินน้ำลมไฟแน่เพราะร่างกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินคือกระดูกผมกระดูกในร่างกายของเรากระดูกทั้งหลายทั้งป่วนนั่นคือธาตุดินธาตวน้ํำก็คื อ, ดดค อ, คอเลือด อากาศเสวะในร่างกายของเราธาตุลมลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟคือทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนี่แหละเราเป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ในร่างกายของเราแต่ว่าธาตุใดธาตุหนึ่งแตกสมรคีกันไม่กลมเกลียวกันธาตุไฟดับตัวเย็นเฉียบร่างกายนี่กับหมดสภาพ ถ้าลมหมดลมไม่เข้าลมไม่ออกร่างกายนี้ก็หมดถ้ากระดูกแตกไปหมดร่างกายนี้ก็หมดสภาพธาตุดินส่วนธาตุน้ำก็เหมือนกันถ้าเลือดมันแห้งถ้าเลือดมันหมดสภาพธาตุปน้ำปัจสวะมันไม่ปกติแต่ว่าร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ เพราะนั้น ร, ร่างกายนี่อยู่ได้ด้วยด้วยธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟผสมประสานกันอยู่แล้วก็กลมกลืนสมัคคีกันอีกต่างหากถ้าว่าธาตุน้ําไม่สมัคคีกับธาตุดินธาตุดินไม่สมัคคีกับธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี่ก็ต้องแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ำํำลมไฟมดสภาพ ส่วนจิตใจจะเก่งกาศสามารถขนาดไหน ه, ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาประคับประคองได้เพราะว่ามันผิดปกติเหมือนกับรถถ้ารถของเราอยู่ในสภาพพร้อมที่จะติดสตตาร์เครื่องได้มันก็ไปได้แต่ถ้าว่ารถมันหมดน้ำมันหมดน้ำโชเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็ดีรับ มันขับไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ารถมันหมดสภาพ ม, ม, มันหมดน้ำมันหมดน้ำมันจะถ้าว่ารถคันนี้สมบูรณ์โซเฟอร์เข้าไปก็ขับโซเฟอร์คืออะไรคือใจเข้ามาเข้ามาสั่งการเข้ามาอยู่สมองมันสั่งการ จะให้เดินอะไรจะให้พูดยังไงจะให้ทำยังไงกล้พวกเราก็ททำได้จะให้เดินไปทางไหนเดินไปผิดที่ไปทางเบรกถ้ามันขี้เกียจเดียบคันเร่งจะให้มันไปทางไหนหมุนพวงมาลัยมันอยู่กับใจทั้งหมดตันวดนสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราถ้าหาว่าศึกษาให้ดีแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตน ตัวของเราเองพระร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งนะถึงใจของเราจะทนุถนอมกอมกเก่อเลี้ยงดูดีขนาดไหนเลี้ยงดูร่างกายเนี่ยแต่ร่างกายนี้ยังเป็นอื่นเสมอนะไม่คุ้นเชื่องกับใจเลยเไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บผลที่สุดมันไม่ให้ตายมันก็จะต้องตายจากใจใจจะเป็นทุกข์มาก ในขณะที่ร่างกายจะแตกแยกนั่นนะเพราะเหตุไรเพราะใจของเราในทนุถนอมมาตั้งแต่วันเกิดอยู่กับร่างกายว่าร่างกายของของเราเป็นของเราแท้ๆอยู่ในใจของเรานะนึกนี่คิดเมื่ อ, อไรก็ใจของเราใจแท้ๆร่างกายของเราแท้ๆบ้านองเรแท้แต่ว่าร่างร่างกายน่ะมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นของเรานะี่มันพูดยังไงมันก็เฉยเหมือนกับรถ เราเอารถออกมาจากอู่หาเงินไปซื้อรถมาจากอู่ออกมาจากอู่ขี่ออกมาแล้วในใจของเราก็รก็บอ้โอรถของเรารถของเราแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นรถของเราจริงๆแต่รถมันไม่ได้ว่าข้าเป็นรถของคุณนะข้าเป็นผ้าม้ารับม้ารับใช้ของคุณนะรถมันไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเราไปให้ความสำคัญมันมันก็รถก็ขับมาแต่หมดน้ำมันมันก็หมด หมดน้ำมันก็หมดพอในสุดหมดสภาพมันก็หมดอีกเหมือนกันแล้วใครเป็นคนทุกข์ล่ะเจหีรถเป็นคนทุกข์ใช่ไหมแหเพราะเรามารับใช้คนเราก็เลยเป็นทุกข์รถมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่แหละใจนัะนะ่นแหะเจ้าของรถเนี่ยเป็นทุกข์เท่ออพอขับรถไปขับรถมายิ่งติดขับทะรลก็ยิ่งดียิ่งเป็นที่พอใจ ใจตรงนี้พอใจกับร่างกายเป็นที่พอใจอย่างสุดๆดสุดซึ้งแต่ในกายหนึ่งเฉยไม่ได้ให้ความอะไรผลในสุดพอหมดน้ามันสายพานมันหลุดเบร ม, มันแตกเบรมันแตกหรือพอหมดรถหมดสภาพเพราะใช้มานานทีนี้ทำยังไง ร, ร่างกายใจของเราก็นันทษกข์แล้วทีนีน้เพราะไม่รู้จะซ่อมอยังไง ถ้าจะซ่อมหรือช่างช่างซ่อมก็ไม่มีเพราะอะไเพราะมันผกไปหมดแล้วเครื่องสูบของมันก็เป็นสนิมเกิดกระไปหมดแล้วทะลุแล้วหมดโอกาสที่จะซ่อมแล้วรถคันนี้ก็จอดไปไม่ได้พอในสุดใจจะทำยังไงในเมื่อในเมื่อมันซ่อมไม่ได้แล้ว ไปหาช่างซ่อมที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะรถมันหมดสภาพใช้มานานซ่อมไม่ขึ้นไม่รู้จะเอาอะไรมาซ่อมมันซ่อมตัวนี้ก็เสียตัวนั้นซ่อมตัวนั้นก็เสียตัวนี้พอที่สุดมันหมดสภาพจริงๆไม่รู้จะทําไงมันเดินไม่ได้มันไปไม่ได้ตัวเองคือใจก็ต้องหนีนะทิ้งรถ ทิ้งร่างกายนี่แหละไอ้ตัวที่ทิ้งร่างกายเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าว่าจุตูปะปาตยานนะการจุดติและการตายของสรรพสัตว์นะพร ะ, ะองค์ให้ความสําคัญจุดนี้มากเหมือนกันถ้าคนออกจากร่างไปแล้วไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เตรียมบุญไม่ได้เตรียมกุศลเอาไว้ไม่ได้ส่งสังสมคุณงามความดีเอาไว้พอหนีออกจากร่างกันหนีออกไปแบบไม่ตั้งใจ นีไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าตัวเองจะตายไม่ไมีคิดว่าตัวรถคันนี้จะจะหมดสภาพพอออกจากรถคันนี้แล้วก็นั่นแหละใจดวงนั้นน่ะจะหาความเออผาสุกไม่ได้เพราะใจตรงนั้นโซเฟอร์คนนั้นไม่มีเงินนะโซเฟอร์คนนั้นไม่ได้คิดในขณะที่ขับรถคันนี้ก็มีแต่เพลิดเพลินสนุกสนานเที่ยวเตะเร่ร่อนไปเลย ไม่ได้คิดว่ารถคันนี้จะหมดสภาพไม่คิดว่ารถคันนี้จะจอดไม่คิดว่ารถคันนี้จะฮจะตายพูดง่ายๆแต่ผลในสุดรถตายรถพมดสภาพเมื่อรถหดสภาพแล้วร่างกายตั้งรถพดสภาพใจของเราทํำยังไงเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้นี่แหละจุดนี้แหละสําคัญโอทเยาว่าจุตูปะปาตยานการจุติของสัพจัต แถวพวกเราได้ขับรถคันนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเออได้รับธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่าประมาทนะออถึงจะมีรถคันนี้กับเธอนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายดีนะ อ, อ, อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะั่นเลีวจะตายนะมันบอกไม่ได้ทั้งนะัออ้นแต่ขณะยังมีชีวิตเออเราก็ใช้มันได้ ถ้าของเาเามันจะทำได้อืมแต่ถ้าว่ามันเจ็บป่วยรถมันตายหรือว่ามันหมดติดเครื่องได้ก็จริงอยู่แต่เท้ามันหลุดนะล้อรถมันหลุดนะอย่างเนี้ยเราจะไปได้ไหมไปไม่ได้ทำไมไปไปอะไรทั้งที่มันติดเครื่องอยู่เพราะล้อรถมันหลุดนี่ก็เหมือนกันเราก็พูดได้ทำอะไรได้ แต่เราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายบางส่วนมันพ ล, ละภาพมันเดินไม่ได้มันหมดสภาพท่านที่เราก็ยังไม่ตายยังพูดได้อะไรได้แต่ไปไม่ได้นี่แหละลักษณะร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่ลกพ่อได้เปรียบเทียบแต่ว่าคนขับรถนะ่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ ทำคุณงามความดีเราตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อรดคันนี้หมดสภาพนะร่างกายหมดสภาพใจ ต, ตอนนั้นแหละจะได้รับความทนทุกขทรมานไม่ขาดไม่คิดเลยว่าร่างกายนี้จะหมดสภาพขาดคอมไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ออกจากนี้เราจะไปไหนเนี่แหละถ้าเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ได้รับ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนที่ทําให้ไม่สูญคือใจของเรานะี่ะมโนคืคอใจคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้ทําไม่ตายถ้าเราออกจากร่างนี้ไปแล้วนะั้ถ้าเรามีทนุนเรามีเงินเรามีบุญกุศลบุญกุศลก็เข้าสู่ใจของเรา เราออกไปซื้อรถคันอื่นอีกได้อย่างสวยงามแต่ถ้าเราชําระใจของเราถึงนี่โซเฟอร์ของเราดูนะเออที่เราไปพบภูมิต่ตางๆเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสโลภโกรดหลงเราชําระกิเลสออกซะกิเลสภายในใจของเราโลภโกรดหลงไม่มีใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นถึนี่ ใ, นใจของเราไม่มาจะไม่มาเกิดอีก พอใจของเรารู้เท่ารู้ทันแล้วใจของเราเป็นพระอระหันต์แล้วนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเร า, เราจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันก็ไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังพกเราตั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทตัวใครตัวเราในวันถุต น, นสาบีภรรยาช่วยไม่ได้ทั้งนะลูกศิษย์ลูกหาช่วยไม่ได้คู่บ้านจานช่วยไม่ได้ อัตติอัตโนนาโถตนแลปิฏิพึ่งของตนโกหินาโถปรโรชีจาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้านอกจากตัวของเราฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่รตติเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีฐานมีการเสียสละ มีน้ำใจต่อกันให้อภัยทานอมิตรทานธรรมทานวิทยาทานโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นจุกถ้าเรามีทานทานะคือเสียสละจากนั้นก็มีต้องมีศีลให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องทางด้านจิตใจเป็นเรื่องนามธรรมมองไม่เห็นเปรียบเทียบให้เห็ น, ใ ห, หนให้ชัดเจนก็คือ มองให้เห็นเป็นวัตถุขึ้นมาก็คือรถกับคนขับรถถ้าเราทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่วิ่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกนั้นแต่ พ, พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญสําคัญเรื่องของใจคือตัวนามธรรมที่มองไม่เห็นสําคัญกว่าร่างกายเหมือนกับคนคนเรานะันะ่ะเรามีเงินไปซื้อรถแต่ซื้อรถกับราคากับจริงอยู่แพงอยู่ แต่ว่าคุณค่าของรถจริงๆผู้ที่จะประครับประคองจริงๆก็คือโชเฟอร์คือเจ้าของของรถพราะนันหักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องโชเฟอร์มากกว่ารถพรนันขอรให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํากันกรองไตรตรองเหตุและผลในทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกเราก็จะวางตัวถูกยึดอะไรก็จะไม่ยึดมากครักอะไรจ็ไม่รักมากโ ก, โกรธโกตรง อยู่ในจิตในใจของพวกเราพวกเราก็าจะวางถูกที่ถูกทางพวกเราจะมีแต่ความสุขความสบายใจรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเขารู้จักเรารู้จักอนิจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งเขาไม่ทิ้งเราก็ต้องทิ้งเออร่างกายจะต้องทิ้งเราถึงเราจะรักขนาดไหนร่างกายมันก็ไปตามสภาพของมันเพราะนั้นเราต้องทําใจไว้ก่อน ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติไว้เพียงเท่านี้